นักภาวนาะต้องดูหัวใจตัวเองมันชิดเรื่องอะไรดูตบมันปั๊บตบปั๊บตบปั๊บใหญ่มันคิดไม่ดีเจ้าของไม่ดีเองนั่นไปชิดเรื่องคนนั้นไม่ดีก็ดีเจ้าของไม่ดีเองดูเจ้าของตัวมันไม่ดีนีเแล้วมันก็สงบคนนั้นก็ดูคนนี้ก็ดูก็ต่างคนต่างสงบไม่มีเรื่องที่ชินนินทาการ ย, ยกโทษยกกรันไม่มี ดูตัวหัวใจของเราเนี่ยตัวนี้ะตัวนักโทษใหญ่อยู่ที่นี่นะให้ดูตัวนี้อย่าไปดูที่อื่นไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าดูตัวนี้เกิดเกิดประโยชน์